ที่สาว่าด้วยข้อปุดฉาและวิสัชนาวันหนึ่งท่านข้าหลวงไวัยได้จัดให้มีการประชุมกันถวายพระตาหารเจแด่พระสังฆปรินายกและขอร้องให้ท่านแสดงธรรมแก่ประชุมชนที่กำลังประชุมกันขับข้างเมื่อเสร็จจากการฉันแล้วท่านข้าหลวงไวัยได้อาราธนาให้ท่านขึ้นธนมาก ซึ่งท่านได้ตกลงรับเมื่อได้โค้งคำนับด้วยความเคารพสองครั้งสองคราพร้อมๆกับบรรดาข้าราชการนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ได้มาประชุมกันอยู่ณที่นั้นแล้วข้าหลวงไวหว้ได้กล่าวขึ้นว่ากระผมได้ฟังบทธรรมที่พระคุณเจ้าแสดงแล้วรู้สึกว่าเป็นของลึกซึ้งเกินกว่ากำลังความคิด และถ้อยคำของกระผมจะบัญยายได้และกระผมมีปัญหาอยู่บางประการซึ่งหวังว่าพระคุณเจ้าคงจะกรุณาชี้แจงให้เห็นกระจ่างพระสังฆปริณายกได้ตอบว่าถ้าท่านมีความสงสัยอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ก็ขอให้ท่านถามมาอาตมาจะได้ชี้แจงข้าหลวงไว่ยได้ถามขึ้นว่า หลักธรามต่างๆที่พระคุณเจ้าได้แสดงไปแล้วนี้เป็นหลักที่พระสังฆปรินายกชื่อโพธิธรรมได้วางไว้บัญญัติไวไ้มิใช่หรือพระสังฆปรินายกตอบใช่กระผมได้สะดับตรับฟังมาว่าเมื่อพระโพธิธรรมได้พบปะและสังสนทนากันเป็นครั้งแรกกับพระจักรพรรดิวู่แห่งราชวงศ์เหลียงนั้น ภ่านสาทุคุณองค์นั้นได้ถูกพระจกักรพรรดิถามถึงข้อที่ว่าพระองค์จะได้รับกุศลอะไรบ้างในการที่พระองค์ได้กระทำการก่อสร้างพระวิหารการอนุญาตให้คนบวชซึ่งในสมัยนั้นพระบรมราชาอนุญาตเป็นของจําเป็นมากการโปรโยทานและการถวายพัตาหารเจแด่พระภิกษสุสงฆ์ในรัชการของพระองค์ และท่านสาธุคุณองค์นั้นได้ถวายพระพรว่าการกระทำเช่นว่านั้นไม่เป็นทางนำมาซึ่งกุศลแต่อย่างใดเลยในเรื่องนี้กระผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพระสังฆปรินายกโพธิธรรมจึงได้ถวายพระพรเช่นนั้นขอพระคุณเจ้าโปรดชี้แจงด้วยเถิดพระสังฆปริณายกได้ตอบว่าถูกแล้ว การกระทำเช่นว่านั้นไม่เป็นทางนำมาซึ่งกุศลแต่อย่างใดท่านอย่าได้มีความสงสัยในถ้อยคำของพระมูดีองค์นั้นเลยพระจักรพรรดิเองต่างหากมีความเข้าพระทัยผิดและพระองค์ไม่ได้ทรงทราบถึงคำสอนอันถูกต้องตามแบบแผนก็การกระทำเช่นสร้างวิหารการอนุญาตให้คนบวช การโปรยทานการถวายพระาหารเจเช่นกล่าวนี้จะนำมาให้ได้ก็แต่เพียงความปิติอิ่มใจต่างๆเท่านั้นซึ่งไม่สมควรจะถือว่าเป็นกุศลกุศลจะมีได้ก็แต่ในธรรมกายไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกัน<ต>กับการทำเพื่อความปิติอิ่มใจดังกล่าวมานั้นเลยพระสังฆปรินา ย, ยกได้กล่าวต่อไปว่า การเห็นแจ้งชัดในจิตเดิมแท้นั้นเรียกว่ากุงหรือกุศลวิบากและความคงที่สม่ำเสมอนั้นเรียกว่าแตกหรือกุศลสมบัติและเมื่อใดความเป็นไปทางฝ่ายจิตของเรามีการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วไม่มีติดขัดจนทำให้เราทราบไม่ขาดสายถึงภาวะที่แท้จริงพร้อมทั้งการทำหน้าที่อย่างประหลาดลี้ลับ ของใจของเราเองเมื่อนั้นเรียกว่าเราเข้าถึงแล้วซึ่งกุมแตกหรือกุศลที่เป็นภายในการระวังจิตของตนไว้ให้คงอยู่ในภาวะที่ปราศจากความเพเยอพยองคองตัวเรียกว่า ก, กุมที่เป็นภายนอกการวางตัวไว้ในสภาพที่เหมาะสมทุกวิถีทางเรียกว่าแตก รู้ว่าทุกๆสิ่งคือการแสดงออกของจิตเดิมแท้นิ้วเรียกว่ากุงและรู้ว่าส่วนที่เป็นประธานของจิตเป็นอิสระแล้วจากความคิดอันเป็นเครื่องทวงทั้งหลายนิ้วเรียกว่าแตกการไม่แล่นเพลิดเลิดไปจากจิตเดิมแท้เรียกว่ากุงและการที่เมื่อใช้จิตนั้นทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ไม่เผลอทาจิตนั้นให้มืดมัวเสียรูปไปนี้เรียกว่าแตกถ้าท่านสแสวงหากุศลภายในธรรมกายและทำตามที่อาตมาได้กล่าวนี้จริงๆแล้วกุศลที่ท่านได้รับจะต้องเป็นกุศลจริงผู้ปฏิบัติเพื่อกุศลจะไม่มินผู้อื่นและในที่ทุกโอกาสเขาปฏิบัติต่อทุกๆคนด้วยความยำเกรงนับถือ ผู้ซึ่งมีการดูหมิ่นผู้อื่นเป็นปกตินิสัยย่อมไม่สามารถขจัดมานะอาหางการออกไปเสียได้ซึ่งสอว่าเขายังขาดกลุ่มเพราะความถือตัวและความดูหมิ่นผู้อื่นเป็นปกตินิสัยเขาย่อมไม่เห็นแจ้งต่อจิตเดิมแท้นี่สอว่าเขายังขาดแตกท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลาย เมื่อใดความเป็นไปทางฝ่ายจิตทำหน้าที่ของมันได้โดยไม่มีที่ติดขัดเมื่อนั้นเรียกว่ามีกุ่มเมื่อใดใจของเราทำหน้าที่ของมันในลักษณะที่ตรงแนว่วเมื่อนั้นเรียกว่ามีแตกการฝึกทางจิตจัดเป็นกุ่มการฝึกทางที่เกี่ยวกับกายจัดเป็นแตกท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลาย ขูสนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาภายในจิตเดิมแท้และเป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากการโปรยฐานการถวายพระตาหารและอื่นๆเหตุฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างความปิติอิ่มใจกับตัวขูศสนแท้คำที่พระสังฆปริณายกของเรากล่าวไปนั้นไม่มีอะไรผิดพระจักภพวู่เองต่างหากที่ไม่เข้าใจ ในหนทางอันแท้จริงข้าหลวงไวหว้ได้เรียนถามปัญหาข้อต่อไปอีกว่ากระผมได้สังเกตเห็นเขาทำกันทั่วๆวไปไม่ว่าคฤรหัดหรือบันพชิตในการออกนามพระอมิตาภะและตั้งอธิษฐานจิตขอให้ไปบังเกิดในดินแดนอันบริสุทธิ์ทางทิศตะวันตกเพื่อขจัดความสงสัยของกระผมขอพระคุณเจ้า ชงกรุณาตอบให้แจ้งชัดว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เขาเหล่านั้นจะพากันไปเกิดที่นั่นพระสังฆพรินายกได้ตอบว่าท่านทั้งหลายจงฟังอาตมาอย่างระมัดระวังสักหน่อยแล้วอาตมาจะได้อธิบายเมื่อกล่าวตามสูตรที่สมเด็จพระพักควันได้ตรัสไว้ที่นครสาวัตถี เพื่อ น, นำประชาสัตว์ไปสู่แดนบริสุทธ์ทางทิศตะวันตกนั้นมันก็เป็นที่กระจ่างชัดแล้วว่าแดนบริสุทธ์นั้นอยู่ไม่ไกลไปจากที่นี่เลยเพราะตามระยะทางคิดเป็นไม้ก็ได้1 8 0 0 0แสนไมเท่านั้นซึ่งโดยแท้จริงแล้วระยะทางนี้หมายถึงอคุสนิษ์และมิจฉัแต่ภายในตัวเรานั่นเอง สำหรับคนพวกที่ยังมีใจต่ำมันก็ต้องอยู่ไกลอย่างแน่นอนแต่สำหรับพวกที่มีใจสูงแล้วเราอาจกล่าวได้ว่ามันอยู่ใกล้นิดเดียวแม้ว่าพระธรรมจะเป็นของคงเส้นคงวารูปเดียวกันทั้งนั้นแต่คนคนนั้นย่อมแตกต่างกันโดยจิตใจเพราะขนาดแห่งความฉลาดและความเข่าของมนุษย์มีอยู่แตกต่างกันนี่เอง จึงมีคนบางคนเข้าใจในพระธรรมได้ก่อนคนเหล่าอื่นเมื่อพวกคนไร้ปัญญากำลังพากันท่องนามของพระ Amita พระและอ้อนวอนขอให้ได้เกิดในแดนบริสุทธิ์อยู่นั้นคนฉลาดก็พากันชำระใจของเขาให้สะอาดแทนเพราะเหตุว่าตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นมีอยู่ว่าเมื่อใจบริสุทธิ์แดนแห่งพระพุทธเจ้า ก็บริสุทธิ์พร้อมกันแม้ว่าพวกท่านทั้งหลายจะเป็นชาวตะวันออกถ้าใจของท่านบริสุทธิ์ท่านก็เป็นคนไม่มีบาปอีกทางหนึ่งตรงกันข้ามต่อให้ท่านเป็นชาวตะวันตกเสียเองใจที่โสมมของท่านหาอาจช่วยให้ท่านเป็นคนหมดบาปได้ไม่ไม เ, เ, เมื่อคนชาวตะวันออกทาบาปเข้าแล้ว เขาออกงามอมิตาภะแล้วออนวอนเพื่อให้เกิดทางทิศตะวันตกทีนี้ถ้าในกรณีที่คนบาบนั้นเป็นชาวตะวันตกเสียเองแล้วเขาจะออนวอนให้ไปเกิดที่ไหนเล่าคนสามมันและคนเข้าไม่เข้าใจในจิตเดิมแท้และไม่รู้จักแดนบริสุทธิ์อันมีอยู่พร้อมแล้วในตัวของตัว ดังนั้นเขาจึงปรารถนาที่จะไปเกิดทางทิศตะวันออกบ้างทางทิศตะวันตกบ้างแต่สำหรับคนที่มีปัญญาแล้วที่ไหนๆก็เหมือนกันทั้งนั้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นมีอยู่ว่ า, าเขาจะเกิดที่ไหนไม่สำคัญเขาคงเป็นสุขและบันเทิงเรืองรื่นอยู่เสมอท่านทั้งหลาย เมื่อใจของท่านบริสุทธิ์จากบาปแล้วทิตตวันตกก็อยู่ไม่ไกลจากที่ตรงนี้มันลำบากนักก็อยู่ตรงที่ว่าคนใจโส ม, มมต้องการจะไปเกิดที่นั่นด้วยการตะโกนร้องเรียกหาพระอภิตาพระเท่านั้นท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายในเรื่องนี้สิ่งที่จะต้องทำเป็นข้อแรก ก็คือจัดการกับอกุศลสิบประการเสียให้หมดสิ้นไปเมื่อนั้นก็เป็นอันว่าเราได้เดินทางเข้าไปแล้ว 1, หนึ่งแสนไมล์ขั้นต่อไปเราจัดการกับมิชชัตตาแปดเสียให้สิ้นสุดก็เป็นอันว่าหนทางอีกแปดพันไมล์นั้นเราเดินผ่านทะลุไปแล้วเมื่อเป็นดังนี้แดนพริสุทธ์จะหนีไปข้างไหน ก็ถ้าเราสามารถเห็นแจ้งชัดในจิตเดิมแท้อยู่เสมอและดำเนินตนตรงแน่วอยู่ทุกขณะแล้วพริบตาเดียวเท่านั้นเราเ้าไปถึงแดนบริสุทธิ์ได้และพบพระอมิตาภะอยู่ที่นั่นนะโมอมิตพุทธถ้าท่านทั้งหลายเพียงแต่ประพฤติคุศล ส, สิบประการเท่านั้นท่านก็หมดความจำเป็นที่จะต้องไปเกิดที่นั่นในฝ่ายตรงกันข้าม ถ้าท่านไม่จัดการกับอกุศลสิบประการให้เสร็จสิ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนเล่าที่จะพาท่านไปยังที่นั่นถ้าท่านเข้าใจในหลักธรรมอันกล่าวถึงธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดซึ่งหักเสียซึ่งวงกลมแห่งการเกิดและการตายของนิกายฉับพลันแล้วมันจะพาท่านไปให้เห็นทิตตะวันตกได้ในอึดใจเดียวแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจ ท่านจะไปถึงที่นั้นด้วยลําพังการออกนามอมิตาภะได้อย่างไรกันหนอเพราะหนทางหนึ่งแสพันมายนั้นมันไกลไม่ใช่เล่นเอาละท่านทั้งหลายจะพอใจไหมถ้าอาตมาจะยกเอาแดนบริสุทธ์มาวางไว้ตรงหน้าท่านในเดี๋ยวนี้ที่ประชุมได้ทำความเคารพแล้วตอบพระสังฆปรินายกว่า ถ้าเราทั้งหลายอาจเห็นแดนบริสุทธิ์ได้ณที่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปรารถนาไปเกิดที่โน่นขอพระคุณเจ้าจงได้กรุณาให้เราทั้งหลายได้เห็นแดนบริสุทธิ์นั้นโดยยกมาวางที่นี่เถิดพระสังฆปริณายกได้กล่าวตอบว่าท่านทั้งหลายเนื้อกายของเรานี้เป็นนครแห่งหนึ่ง ตาหูจมูกลิ้นของเราเป็นประตูมือประตูนอกมีสี่ประตูประตูในมีหนึ่งประตูได้แก่อำนาจปรุงแต่งสำหรับคิดนึกใจนั้นเป็นแผ่นดินจิตเดิมแท้เป็นเจ้าแผ่นดินซึ่งอาศัยอยู่ในมนทนแห่งใจถ้าจิตเดิมแท้อยู่ข้างในก็แปลว่าเจ้าแผ่นดินยังอยู่ แล้วกายและใจของเราก็ชื่อว่ายังมีอยู่เมื่อจิตเดิมแท้ออกไปเสียแล้วก็ชื่อว่าเจ้าแผ่นดินไม่อยู่กายและใจของเราก็ชื่อว่าสาบสูญไปแล้วเราต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นพุท ธ, ธะในภายในจิตเดิมแท้และต้องไม่สาะแสวงหาจิตเดิมแท้ในที่อื่น นอกจากตัวเราเองผู้ที่ถูกความเข่าครอบงำมองไม่เห็นจิตเดิมแท้นั้นจัดเป็นคนสามัญผู้ที่มีความสว่างมองเห็นจิตเดิมแท้ของตนเองจัดเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งความเป็นคนมีเมตตาการุณาเป็นพระอวโลติเกษวนคือพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง ในจำนวนโพธิสัตว์สององค์ในแดนบริสุทธิ์ทางทิศตะวันตกการเพลินในการโปรยทานคือพระมหาสถามมะพระโพธิสัตว์อีกองค์หนึ่งซึ่งคู่กันความสามารถทำให้ชีวิตบริสุทธิ์คือองค์พระสากยามุนีพระนามอีกพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ความสม่ำเสมอคงที่และความตรงแนว คือพระอมิตาพะความคิดเรื่องตัวตนหรือเรื่องความมีความเป็นคือเขาพระสุมเมนใจที่สามางได้แก่มหาสมุทรกิเลสคือระลอกคลื่นความชั่วคือมังกรร้ายความเท็ดคือผีหา่าอารมณ์ภายนอกอันน่าเวียนหัวคือสัตว์น้ำต่างๆความโลภและความโกรธ คือโลกันตันรกอวิชชาและความมัวเมาคือสัตว์เยราชานทั่วไปท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายถ้าท่านประพฤตในกุศลสิบประการอย่างมั่นคงแดนสุขาวดีก็จะปรากฏแก่ท่านในทันทีเมื่อใดท่านขจัดความเห็นว่าตัวตนและความเห็นว่าเป็นนั่นเป็นนี่ออกไปเสียได้ เขาพระสุมเมนก็จะหักขมำพังทลายลงมาเมื่อใดจิตไม่ย้อมด้วยความชั่วอีกต่อไปเมื่อนันน้ำในมหาสมุทรแห่งสังสาระก็เหือดแห้งไปสิน้นเมื่อท่านเป็นอิสระอยู่เหนือกิเลสเมื่อนั้นลูกคลื่นและระลอกทั้งหลายก็สงบเงียบลงเมื่อใดความชั่วร้ายไม่กล้าเผชิญหน้าท่าน เมื่อ น, นั้นปลาร้ายและมังกรร้ายก็ตายสิน้นภายในมณฑลแห่งจิตนั้นมีองค์ตถาคตแห่งความตัดสรุซึ่งส่องแสงอันแรงกล้าออกมาทำความสว่างที่ประตูภายนอกทั้งหประตูและควบคุมมันให้บริสุทธิ์แสงนี้แรงมากพอที่จะทะลุผ่านสวรรค์ชั้นกามาวจรทั้งหก และเมื่อมันย้อนกลับเข้าภายในไปยังจิตเดิมแท้มันจะขับพาดอันเป็นผิดทั้งสามอย่างให้หมดไปและชำระล้านบาปชนิดที่จะทำให้เราตกนรกหรืออบายอย่างอื่นแล้วจะทำความสว่างสวัยให้เกิดแก่เราทั้งภายในและภายนอกจนกระทั่งเราไม่มีอะไรแตกต่างจากพวกที่เกิดในแดนบริสุทธิ์ทางทิศตะวันตก ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกตัวเองให้สูงถึงขนาดนี้แล้วเราจะบรรลุถึงแดนบริสุทธ์นั้นได้อย่างไรกันเมื่อที่ประชุมได้ฟังเทศนาของพระสังฆปรินายกจบแล้วต่างพากันทราบถึงจิตเดิมแท้ของตนของตนอย่างแจ้งชัดทุกคนพากันทำความเคารพและอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าสาธุ เขายังได้พากันสวดมนต์ภาวนาขอสัพพสัตในสากลจักรวาล น, นี้เมื่อได้ยินธรรมเทศนานี้แล้วจงเข้าใจได้อย่างสินซาบในทันทีทันใดเถิดพระสังฆาพรินายกได้กล่าวเพิ่มเติมว่าท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายผู้ใดอยากทำการปฏิบัติทางจิตจะทำที่บ้านก็ได้ ไม่มีความจำเป็นสำหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องอยู่ในสังขารามพวกที่ปฏิบัติตนอยู่กับบ้านนั้นอาจปรีบกันได้กับชาวบ้านทางทิศตะวันออกที่ใจบุญพวกที่อยู่ในสังขารามแต่ละเลยต่อการปฏิบัตินั้นไม่แตกต่างอะไรกับชาวบ้านที่อยู่ทางทิศตะวันตกแต่ใจบาปจิตบริสุทธ์ได้เพียงใดมันก็เป็นแดนบริสุทธิ์ทางทิศตะวันตก กล่าวคือจิตเดิมแท้ของบุคคลนั้นเองเพียงนั้นข้าหลวงไว่ายได้เรียนถามขึ้นว่าเราทั้งหลายควรฝึกตัวอย่างไรเมื่ออยู่ที่บ้านขอพระคุณเจ้าโปรดสั่งสอนเถิดพระสังฆปรินายกได้ตอบว่าอาตมาจะสอนสโลกว่าด้วยนิรารูปให้สักหมดหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายเก็บเอาข้อความออกมาปฏิบัติตามแล้ว ท่านก็จะอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกับพวกที่อาศัยอยู่กับอาตมาเนืองนิดเหมือนกันในทางตรงข้ามถ้าท่านทั้งหลายไม่ปฏิบัติมันท่านก็จะหาความเจริญในทางจิตไม่ได้แม้ว่าท่านจะโกนหัวและสละบ้านเรือนออกสแสวงบุญคือบวชเป็นพระสะโลดกนั้นมีดังต่อไปนี้ผู้มีใจเที่ยงธรรม การรักษาศีลไม่เป็นของจําเป็นผู้มีความประพฤติตรงแนว่วการปฏิบัติในทางฌานมันจะมีมาเองแม้จะไม่ตั้งใจทาสำหรับหลักแห่งการกรตัญญูกตตเวทีนั้นเราอุปถัมภิดามารดารับใช้ท่านอย่างฐานะลูกสำหรับหลักแห่งความเป็นธรรมนั้นผู้ยิ่งใหญ่กับผู้ต่ำต้อยยืนเคียงข้างอาศัยกันและกัน ในคราวขับขันสำหรับหลักแห่งความปรารถนาดีต่อกันนั้นผู้อาวุโสกับผู้อ่อนอาวุโสต้องสมัครสมานกันสำหรับหลักแห่งขันตินั้นเราไม่ให้มีการทะเลาะเบาแหวงแม้จะตกอยู่ในถามกลางของหมู่อมิตรอันกักขระถ้าเรามีความเพียรอคอยจนได้ไฟอันเกิดจากการเอาไม้มาสีกัน เมื่อนั้นบัวสีแดงหรือพุทธภาวะก็จะโผล่ออกมาเองจากตมสีดำหรือความมืดมนก่อนตัสรุสิ่งที่มีรสขมย่อมถูกใช้เป็นยาที่ดีสิ่งที่ฟังแล้วไม่ไพรห่หูนั้นคือคำตักเตือนอันจริงใจของผู้เตือนที่แท้จริงจากการแก้ไขความผิดให้กลับเป็นของถูก เราย่อมได้รับสติปัญญาโดยการต่อสู้เพื่อรักษาความผิดของตัวไว้เราแสดงนิมิตแห่งความมีจิตผิดปกติออกมาในวันหนึ่งหนึ่งที่ชีวิตล่วงไปเราควรปฏิบัติความไม่เห็นแก่ตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพุทธภาวะนั้นไม่มีหวังที่จะได้มาจากการให้เงินเป็นฐาน โทธิปัญญานั้นหาพบได้เฉพาะจากภายในใจของเราเองและไม่มีความจำเป็นที่จะเสาะหาความจริงอันเด็ดขาดของพระาศาสนาจากภายนอกผู้ซึ่งได้ฟังสโลกนี้แล้วนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังจะประสบแดนสุขาวดีอยู่ตรงเบื้องหน้าเขานั่นแลพระสังฆปริณายกได้กราบเพิ่มเติมว่า ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายท่านทุกคนจงปฏิบัติตามคำสอนที่กล่าวไว้ในสโลกนี้เถิดเพื่อว่าท่านจะได้เห็นแจ้งจิตเดิมแท้และลุถึงพุทธภาวะได้โดยตรงๆพระธรรมไม่คอยใครอัตมาก็กำลังจะกลับไปโซกายเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายจงเลิกประชุมเถิดถ้าท่านยังมีปัญหาใดๆท่านจงไปถามที่นั่นเถิด ในการได้สมาคมกันคราวนี้ท่านข้าหลวงวหวข้าราชการคนใจบุญและสุภาพสตรีผู้อุทิศเคร่งครัดทั้งหลายผู้ได้มาร่วมประชุมณที่นั้นได้เกิดความสว่างสวัยทุกคนเขารับคำสอนไปปฏิบัติด้วยความซื่อตรงแน่วแน่หมวดที่สี่ว่าด้วยสมาธิ และปรัชญาในสมัยอื่นอีกพระสังฆปรินายกได้แสดงธรรมแก่ผู้มาชุมนุมฟังด้วยข้อความดังต่อไปนี้ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายในระบบคำสอนของอาตมานั้นสมาธิและปรัชญานับว่าเป็นหลักสำคัญแต่ท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใจผิดไปว่าธรรมมาสองข้อนี้แยกจากกันได้เป็นอิสระ เพราะเหตุว่ามันเป็นของรวมอยู่ด้วยกันอย่างที่จะแยกกันไม่ได้และไม่ใช่เป็นของสองอย่างซึ่งต่างฝ่ายต่างมีความเป็นของตัวเองสมาธินั่นแหละคือตัวจริงของปรัชญาในเมื่อปรัชญาเป็นแต่เพียงอาการไหวตัวของสมาธิในขณะที่เราได้ปรัชญาสมาธิก็มีพร้อมอยู่ในนั้นแล้วหรือจะกล่าวกลับกันว่า เมื่อมีสมาธิเมื่อนั้นก็มีปรัชญาดังนี้ก็ได้ถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจหลักอันนี้ก็แปลว่าท่านเข้าใจความสัมพันธ์อันมีส่วนเสมอกันระหว่างสมาธิกับปรัชญาผู้ศึกษาไม่ควรจะไปคิดว่ามันมีอะไรแตกต่างกันในระหว่างคําว่าสมาธิให้เกิดปรัชญากับคําว่า ปรัชญาให้เกิดสมาธิการถือความเห็นว่าแยกกันได้นั้นย่อมสอว่ามันมีอะไรที่เด่นๆอยู่ถึงสองฝักสองฝ่ายในธรรมะนี้สำหรับบุคคลที่ลิ้นของเขาพูดได้เพราะแต่ใจของเขาไม่สะอาดนั้นสมาธิและปรัชญาไม่มีประโยชน์อะไรแก่เขาเพราะสมาธิและปรัญญาของเขา ไม่มีทางจะสมส่วนสัมพันธ์กันได้เลยอีกทางหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามคือถ้าดีทั้งใจและดีทั้งถ้อยคำที่พูดทั้งกิริยาอาการภายนอกกับความรู้สึกในใจก็ประสานกลมกลืนกันแล้วนั่นแหละคือกรณีสมาธิและปรัชญาได้สัมพันธ์กันอย่างสมส่วน การโต้แย้งกันนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดแก่นักศึกษาที่มีความสว่างสวัยแล้วการมัวเถียงกันว่าปรัชญาเกิดก่อนหรือสมาธิเกิดก่อนนั่นแหละจะทำให้ผู้นั้นตกอยู่ในภาวะเช่นเดียวกับคนที่ถูกอวิชชาครอบงำทั้งหลายการเถียงกันย่อมหมายถึงความดิ้นรนจะเป็นฝ่ายชนะย่อมเสริมกาลังให้แก่ความยึดมั่ น, นถือมั่นวาตัวตน และย่อมจะผูกพันเราไว้กับความยึดถือด้วยความสำคัญว่าตัวตนว่าสัตว์ว่าชีวะว่าบุคคลท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายสมาธิและปรัชญา น, นั้นควรจะเปรียบกับอะไรเล่าธรรมะสองชื่อนี้ควรจะเปรียบกันกับตะเกียงและแสงของมันเองมีตะเกียงก็มีแสง ไม่มีตะเกียงมันก็มืดตะเกียงนั่นแหละคือตัวการแท้ของแสงสว่างและแสงสว่างเป็นแต่สิ่งซึ่งแสดงออกของตะเกียงโดยชื่อฟังดูเป็นสองอย่างแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันเป็นของอย่างเดียวและเป็นทั้งของอย่างเดียวกันด้วยกรณีเช่นนี้แหละได้กับสมาธิและประิญญา ในสมัยอื่นอีกพระสังฆปรินายกได้แสดงธรรมแก่ผู้มาชุมนุมฟังด้วยข้อความดังต่อไป น, นี้ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายการบำเพ็ญสมาธิที่ถูกวิธีนั้นได้แก่การทำให้เป็นระเบียบตายตัวเพื่อให้เราเป็นคนตรงแน่วในทุกโอกาสไม่ว่าคราวเดินยืนนั่งหรือนอนวิมลกีรตินิเทศสูตร มีข้อความว่าความเป็นผู้ตรงแนวนั่นแหละคือเมืองอริยะแดนบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายจงอย่าปล่อยให้ใจคดเคี้ยวไปมาและอย่าประพฤติความตรงแนวเพียงสักว่าเที่ยวริมฝีปากเราต้องบำเพ็ญให้ตรงแน่จริงๆและไม่ผูกพันตัวเองไว้กับสิ่งใดๆคนพวกที่งมงายอยู่ภายใต้อวิชชา ย่อมเชื่ออย่างดื้อดึงไปตามตัวหนังสือฉะนั้นเขาจึงรั้นที่จะแปลเอาตามชอบใจของตัวเองในการแปลคำว่าสมาธิที่ถูกวิธีซึ่งเขาเหล่านั้นพากันแปลว่านั่งอย่างเงียบติดต่อกันไปโดยไม่ยอมให้ความคิดอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นในจิตการแปลความหมายเช่นนี้ เป็นการจัดตัวเราเองให้ลงไปอยู่ในชั้นเดียวกับวัตถุที่ไร้ชีวิตวิญญาณทั้งหลายและยังจะกลายเป็นสิ่งสะดุดเกะกะ ก, กีดขวางหนทางตรงอันเราเพิ่งทำให้เปิดโล่งอยู่เสมอถ้าทําใจของเราให้พ้นจากการข้องแวะในสิ่งทั้งหลายทุกสิ่งได้แล้วทางนั้นก็จะเตียนโล่งถ้าไม่อย่างนั้นชื่อว่าขังตัวเราเอง ถ้าหากว่าคำแปลที่ว่านั่งอย่างเงียบติดต่อกันไปเป็นคำแปลที่ถูกต้องแล้วทำไมในคราวหนึ่งท่านสารีบุตรจึงถูกท่านวิมลกีรติขนาบเอาเนื่องจากนั่งเงีย บ, ยบในป่า น, นั่นเองท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายอาจารย์สอนกรรมฐานบางคนสอนสิทธิ์ของตัวให้เฝ้าระวังจิตของตนให้นิง่งเงียบ ถึงกับว่าหมดความเคลื่อนไหวเป็นไปของจิตเอาเสียทีเดียวเมื่อเป็นดังนั้นพวกศิษย์ก็พากันเลิกถอนการระดมกําลังจิตเสียสิ้นเชิงคนหลงผิดเหล่านี้ก็พากันฟั่นเฟือนเนื่องจากมีความเชื่อถือในคำแนะนา น, นั้นเกินไปกรณีเช่นว่านี้มีอยู่ทั่วทั่วไปใช่ว่าจะมีนานๆครั้งก็หามิได้และนับว่าเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวง ที่สอนผู้อื่นให้ทำเช่นนั้นในสมัยอื่นอีกพระสังฆปรินายกได้แสดงธรรมแก่ผู้มาชมนุมฟังด้วยข้อความดังต่อไปนี้ในพุทธศาสนาชนิดที่เป็นไปตามคำพีนั้นความแตกต่างระหว่างนิกายฉับพลันกับนิกายเชิงช้าไม่ได้มีอยู่อย่างชัดแจ้ง ความแตกต่างเท่าที่เห็นกันอยู่ก็มีแต่เพียงว่าตามธรรมชาติที่เกิดมาคนบางพวกรู้อะไรได้แล้วในเมื่อคนอีกบางพวกที่ทึบต่อการที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆพวกที่สว่างสวัยก็สามารถเห็นแจ้งสัจธรรมได้ทันทีในเมื่อพวกที่อยู่ภายใต้อวิชชาจะต้องค่อยๆฝึกตัวเองต่อไป แต่ความแตกต่างเช่นกล่าวนี้จะไม่ปรากฏเลยถ้าหากว่าเรามารู้จักใจของตัวเองและรู้แจ้งต่อสภาพแท้ของเราเองเพราะฉะนั้นคำว่าเชื่องช้ากับคำว่าฉับพลันสองัำนี้เป็นเพียงภาพเลือนๆมากกว่าที่จะเป็นของจริงท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายมันเป็นจารีตในนิกายของเรา ในการที่จะถือเอาความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกว่าเป็นผลที่เราจำานงหวังถือเอาความไม่ตกอยู่ภายใต้วิสัยของอารมณ์ว่าเป็นมูลรากอันสำคัญและถือเอาความไม่คงติดว่าเป็นหลักหรือต้นตออันเป็นประธานสำคัญความไม่ตกอยู่ภายใต้วิสัยของอารมณ์นั้นหมายถึงความไม่ถูกอารมณ์ดึงดูดเอาไป ในเมื่อได้สัมผัสกันเข้ากับอารมณ์ความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกนั้นหมายถึงความไม่ถูกลากเอาไปโดยความคิดอันแตกแยกแต่อย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่กำลังบาเพ็ญภาวนาทางจิตความไม่คล่องติดนั้นหมายถึงลักษณะเฉพาะแห่งจิตเดิมแท้ของเรานั่นเองสิ่งทุกสิ่งไม่ว่าดีหรือเลว สวยงามหรือน่าเกลียดควรจัดเป็นของว่างอย่างเดียวกันแมในขณะที่โต้เถียงและทะเลาะวิวาสเราควรประพฤติต่อเพื่อนและต่อศัตรูของเราอย่างเดียวกันและไม่มีการนึกถึงการแก้เผ็ดในการฝึกความนึกคิดของตนเองจงปล่อยให้อดีตเป็นอดีตถ้าเราเผลอให้ความคิดของเรา ที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตมาจับติดต่อกันเป็นห่วงโซ่แล้วก็หมายว่าเราจับตัวเองใส่กรงขังในฝ่ายตรงกันข้ามถ้าเราไม่ยอมให้ใจของเราคล้องติดอยู่ในสิ่ง ใ, ใดๆเราจะลุกถึงความหลุดพ้นเพื่อผลอันนี้เราจึงถือเอาความไม่คล้องติดว่าเป็นหลักหรือต้นต่ออันเป็นประฐานสำคัญ การทำตัวเราเองให้เป็นอิสระจากการถูกดูดดึงไปตามอารมณ์ภายนอกนี้เรียกว่าความไม่ตกอยู่ภายใต้วิสัยของอารมณ์เมื่ออยู่ในฐานะที่จะทำได้ใดนั้นสภาพธรรมที่มีในเราก็จะบริสุทธิ์เพื่อผลอันนี้เราจึงถือเอาความไม่ตกอยู่ภายใต้วิสัยของอารมณ์ว่าเป็นมูลรากอันสาคัญ การํำรงใจไว้ให้เป็นอิสระจากอำนาจของกิเลสในทุกๆลักษณะของสิ่งที่แวดล้อมรอบตัวเรานี้เรียกว่าความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกใจของเราลอยอยู่สูงเหนือสิ่งต่างๆที่แวดล้อมเราและในทุกกรณีเราไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นมามีอิทธิพลครอบงำในการที่ใจของเรา จะทำหน้าที่ของมันแต่ว่ามันเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงในการบีบบังคับใจไม่คิดอะไรเสียหมดเพราะแม้เราจะทำได้สำเร็จในการบังคับเช่นนั้นและเราดับจิตลงไปในขณะนั้นเราก็ยังคงต้องเกิดใหม่ในภพใดภพหนึ่งอยู่ดีจงกำหนดความข้อนี้ไว้เถิดบันดาท่านผู้เดินทางทั้งหลาย มันเป็นความชั่วอย่างพอตัวทีเดียวสำหรับคนที่ทำอย่างผิดพลาดเนื่องมาจากไม่เข้าใจความหมายของธรรมมบัญญัติข้อนั้นและมันจะเป็นความชั่วมากขึ้นไปเพียงใดอีกในการเล้าใจให้ผู้อื่นพากันทำตามเป็นบริวารของตนเมื่อหลงเสียแล้วเขาก็มองไม่เห็นอะไรและยิ่งกว่านั้น เขายังแถมเป็นผู้กล่าวตู่พระพุทธวจนะอยู่ตลอดการเป็นมิตรด้วยเหตุฉะนั้นแหละเราจึงถือเอาความไม่เป็นไปตามอํานาจของวิตกว่าเป็นผลที่จำานงหวังของเราท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายอาตมาจะอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกว่าทำไมเราจึงถือเอาความไม่เป็นไปตามอํานาจของวิตก มาเป็นผลที่จำานงหวังของเราเพราะเหตุว่ามีคนเขาบางประเภทได้โอ้อวดว่าเห็นแจ้นจิตเดิมแท้แต่ก็กำลังถูกอารมณ์ที่แวดล้อมลากเอาตัวไปวิตกต่างๆเกิดขึ้นในใจของเขาถูกแวดล้อมอยู่ด้วยมิจฉาทิฏฐิอันเป็นกระแสะแห่งความหลงและกิเลสทุกๆชนิด ก่อนในจิตเดิมแท้ซึ่ ง, งเป็นตัวสําแดงแห่งความว่างนั้นไม่มีอะไรสําหรับให้ใครลุ้ถึงเสียเลยฉะนั้นการที่มาเอ่ยอ้างว่ามีการลุ้ถึงและกล่าวค่อยๆถึงความดีหรือความชั่วเหล่านั้นล้วนแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิและกิเลสเพื่อผลอันนี้เองเราจึงได้ถือเอาความไม่เป็นไปตามอํานาจของวิตกว่าเป็นผลที่จํานงหวัง ในนิกายของเราท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายก็ในเรื่องความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกนั้นอะไรเล่าเป็นสิ่งที่เราควรสลัดเสียให้สิ้นเชิงและอะไรเล่าที่เราควรปักใจของเราลงไปเราควรสลัดของที่เป็นคู่คู่อย่างตรงกันข้ามกันเสียให้สิ้นเชิง พร้อมทั้งอกุศลเจตสิกทุกๆอย่างและเราควรปักใจของเราลงไปที่ภาวะแท้จริงของตัตาความเป็นแต่อย่างนั้นอย่างเดียวเป็นอย่างอื่นอีกไม่ได้เพราะเหตุว่าตถตานั่นแหละเป็นตัวการแท้ของวิตกและวิตกเป็นผลแห่งการไหวตัวของตัทตาตัวแท้ของตถตา ซึ่งเบ่งบานขึ้นถึงระดับเด่นชัดนั้นต่างหากที่ทำให้วิตกนั้นเกิดขึ้นหาใช่เพราะอาวัยวะสำหรับรู้สึกอารมณ์นั้นๆไม่ ต, ะะตาตาตาย่อมทรงไว้ซึ่งคุณลักษณะของตัวมันเองฉะนั้นมันจึงสามารถให้กำเนิดแก่วิตกปราศจากตถตาสิแล้วอวัยวะสำหรับรู้สึกอารมณ์และอารมณ์นั้นๆย่อมสลายลงทันที ผู้คงแก่เรียนทั้งหลายเพราะเหตุที่คุณนลักษณะของตัฐตาตังางๆที่ทำให้เกิดแก่วิตกฉะนั้นอวัยวะสำหรับรู้สึกอารมณ์ต่างๆของเราไม่จำเป็นจะต้องพลอยด่างพลอยหรือเศร้าหมองไปด้วยในทุกๆเหตุการณ์แม้ว่ามันจะเป็นผู้ทาหน้าที่ในการดูการฟังการสัมผัสการรู้ก็ตามและตัวภาวะแท้ของเรา ก็อาจยังสแสดงตัวเองให้ปรากฏได้ทุกเวลาเพราะเหตุฉนั้นพระสูตรนั้นจึงกล่าวว่าผู้ที่คล่องแคล่วในการแยกแยะธรรมลักษณะนาน า, นาประการเพื่อความเข้าใจอันถูกต้องได้จักเป็นผู้ตั้งอยู่อย่างไม่งอนแงนคลอนแคลนในธรรมอันเอกกล่าวคือถิ่นอันสงบเย็น ของพระอริยะหรือนิพพานหมวดที่หว่าด้วยทยานะวันหนึ่งพระสังฆพรินายกได้แสดงธรรมแก่ผู้มาชุมนุมฟังด้วยข้อความดังต่อไปนี้ในระบบการเจริญกรรมาฐานภาวนาของเรานั้น เราไม่ได้กำหนดลงไปที่จิตจิตปัจจุบันซึ่งแตกต่างอย่างตรงกันข้ามกับจิตเดิมแท้หรือกำหนดลงไปที่ความบริสุทธิ์หรือว่าเราไปจับเอาตัวความหยุดนิ่งปราศจากความเคลื่อนไหวทุกประการก็หาไม่ได้สำหรับการกำหนดจดจ่อลงไปที่จิตนั้นม่ควรทาเพราะจิตเป็นของมืดมัวมาเสียก่อนแล้วและเพื่อเรามองเห็นชัดว่า มันเป็นเพียงตัวมายาตัวหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะไปจดจ่อกับมันสำหรับการกำหนดลงไปที่ตัวความบริสุทธิ์นั้นเล่าตัวธรรมชาติแท้ของเราก็บริสุทธิ์อย่างแท้จริงอยู่แล้วและตลอดเวลาที่เราขับไล่อกุศลวิตตกออกไปเสียให้สิ้นเชิงมันก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในตัวเรานอกจากความบริสุทธิ์อย่างเดียว เพราะว่ามันเป็นด้วยอกุศลวิตกนี่แหละที่ทำให้ตาตาต้องเศร้าหมองไปถ้าเราเพ่งจิตของเรากำหนดลงไปที่ความบริสุทธิ์เราก็มีแต่จะสร้างอาวิชชาอันใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเท่านั้นคืออวิชชาแห่งความบริสุทธิ์เพราะเหตุที่อวิชชาเป็นสิ่งที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยจึงเป็นความเขลาที่เราจะไปอิงอาศัยมัน ตัวความบริสุทธินั้นไม่มีสันฐานไม่มีรูปร่างเสมือนบางคนที่อุตริถึงกับประดิษฐ์รูปร่างของความบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วก็กุลีกุจออยู่กับมันในฐานะเป็นปัญหาสาคัญของความหลุดพ้นเมื่อถือหลักความคิดเช่นนี้คนเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ขับไล่ไสส่งความบริสุทธิ์เสียเองแล้วจิตเดิมแท้ของเขาก็ถูกทาให้เศร้าหมองไป เพราะเหตุนั้นท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายพวกที่ฝึกตัวอยู่ในความแน่วไม่วันไหวนั้นแม้จะได้เผชิญกับคนทุกชนิดเขาก็ยังไม่รู้ไม่เห็นความผิดของผู้อื่นอยู่เสมอเขาไม่มีอะไรวิปริตผิดแปลกไปจากเดิมเมื่อประสบบุญหรือบาปความดีหรือความชั่วของผู้อื่น พระลักษณะเช่นนี้ย่อมอนุโลมต่อความแน่วไม่ไหวั่นไหวของจิตเดิมแท้ท่านผู้ของแก่เรียนทั้งหลายคนที่มีจิตยังมืดนั้นอาจสงบเฉพาะทางร่างกายภายนอกแต่พอเพเยริมฝีปากเท่านั้นเขาก็ติชมวิภาควิจารณ์คนอื่นด้วยเรื่องบุญบาป ค, ความสามารถความอ่อนแอความดีหรือความชั่วของคนเหล่านั้นเหล่านั้นนี่แหละ เขาเฉ๋ออกไปนอกทางแห่งสัมมาปฏิบัติอย่างนี้เองอีกฝ่ายหนึ่งการที่จดจอง่วนอยู่ที่จิตของตนเองหรือที่ความบริสุทธิ์ก็กลายเป็นสิ่งสะดุดกีบขวางในหนทางด้วยเหมือนกันในสมัยอื่นอีกพระสังฆปรินายกได้แสดงธรรมแก่ผู้มาชุมนุมฝั่งด้วยข้อความดังต่อไปนี้ ผู้คงแก่เรียนทั้งหลายอย่างไรเรียกว่าการนั่งเพื่อการกรรมาฐานภาวนาในนิกายของเหล่านี้การนั่งหมายถึงการได้รับอิสรภาพอันเด็ดขาดและมีจิตสงบได้ในทุกๆ ก, กรณีที่แวดล้อมเข้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข้างดีหรือเป็นอย่างใดมาการกรรมาฐานภาวนานั้น หมายถึงการเห็นชัดแจ้งในภายในต่อความแน่วไม่วันไหวของจิตเดิมแท้ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายอะไรเรียกว่าทยานะหรือฌานและสมาธิทยานะหมายถึงการหลุดจากความผัวพันด้วยอารมณ์ภายนอกทุกประการและสมาธิหมายถึงการได้รับสารติในภายใน ถ้าเราพัวพันอยู่กับอารมณ์ภายนอกจิตภายในก็จะปั่นป่วนเมื่อเราหลุดจากการพัวพันด้วยอารมณ์ภายนอกทุกอย่างแล้วจิตก็จะตั้งอยู่ในสันติจิตเดิมแท้ของเราเป็นของบริสุทธิ์อยู่แล้วอย่างแท้จริงแล้วเหตุผลที่ว่าทําไมเราจึงปั่นป่วนนั้น ก็เพราะเรายอมตัวให้อารมณ์ซึ่งแวดล้อมเราอยู่ลากเอาตัวเราไปผู้ที่สามารถรักษาจิตของตนไว้ไม่ให้ปั่นป่วนได้ไม่ว่าจะอยู่ในถ้ำกลางสิ่งแวดล้อมชนิดไหนหมดนั่นแหละชื่อได้ว่าบรรลุถึงสมาธิการเป็นอิสระไม่ผัวผั่นด้วยอารมณ์ภายนอกทุกอย่างชื่อว่าทยานะ การลุถึงสานติในภายในชื่อว่าสมาธิเมื่อใดเราอยู่ในฐานะที่จะเล่นฌานและดํารงจิตในภายในให้ตั้งอยู่ในสมาธิเมื่อนั้นจึงชื่อว่าเราได้ลุถึงทยาณะและสมาธิข้อความในโพธิสัตว์ศีลสูตรมีอยู่ว่าจิตเดิมแท้ของเรานั้นเป็นของบริสุทธิ์แท้จริง ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายเราจงเห็นชัดความข้อนี้เพื่อตนเองทุกเมื่อเถิดเราจงฝึกตัวเองฝึกฝนมันด้วยตนเองและลุกถึงพุทธภาวะด้วยความพยายามของตนเองเถิด